วันนี้เป็นวันที่สองพฤษภาคมพุทธศักราช2559เป็นวันหยุดราชการเนื่องจากเป็นวันหยุ ด, ชดเชยวันแรงงานแห่งชาติที่ตรงกับวันที่หนึ่งวันอาทิตย์คือเมื่อวานนี้วันนี้ญาดยโยมเลยได้วันหยุด เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวันเป็นวันกำไรบุญกำไรธรรมเป็นวันที่ได้มีเวลามาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมกันซึ่งเป็นสิ่งที่ทากันได้ยากเพราะเวลามีไม่มากและโอกาส ที่จะได้ฟังเทศฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมก็เป็นสิ่งที่ยากที่จะเกิดขึ้นได้สักครั้งหนึ่งเพราะการจะมีธรรมะปรากฏขึ้นมาในโลกนี้ได้จำเป็นจะต้องมีพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตรัสรู้และมาประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สัตวโลกถ้า เป็นพระปาเจกกาพระพุทธเจ้าท่านก็จะไม่ประกาศพระธรรมคําสอนก็จะไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีผู้ที่จะสืบทอดพระธรรมคําสอนพระธรรมที่ได้ทรงตัดสร่งก็จะไม่มีการแสดงธรรมเหมือนอย่างที่มีกันในยุคนี้สมัยนี้ เพราะเราอยู่ในยุคที่มีพระพุทธศาสนาซึ่งน า, นานจะมีปรากฏขึ้นมาให้เป็นที่พึ่งของโลกสักครั้งหนึ่งระยะเวลาระหว่างพระพุทธศาสนาแต่ละพระพุทธศาสนาคือพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจา้าแต่ละพระองค์นี้จะมาปรากฏให้โลกได้ พึ่งพาอาศัยนั้นเวลาห่างกันเป็นกับเป็นกันเวลาคำว่า ก, กับนี้แปบลบว่าเป็นเวลาระยะอันยาวนานที่เราไม่สามารถที่จะไปคำนวณได้วัดได้ว่ายาวสักแค่ไหนนี่คือโอกาสอันยากอย่างยิ่งที่จะได้มีพระธรรมคำสอน ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามาให้พวกเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติกันอันนี้ก็เป็นความยากอันหนึ่งแล้วความยากอันที่สองก็คือเรื่องของเวลาที่เราจะมีให้กับการศึกษากับการปฏิบัติธรรมเพราะเราก็ต้องมีภารกิจการงานอื่นๆ ที่จะต้องทํากันต้องทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบครัวแล้วก็ต้องไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันเช่นวันนี้อาจจะต้องเลือกระหว่างการมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมกับการไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ถ้าความอยากจะไปเที่ยวมีกําลังมากกว่าการจะมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมโอกาสที่จะได้มาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมก็จะไม่มีเพราะจะเอาเวลาไปใช้ในการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันนี่คือเรื่องของความยาก ที่จะได้มีโอกาสได้มาศึกษาได้ปฏิบัติทํากันแล้วก็สิ่งใดในโลกนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่ามีประโยชน์มากเท่ากับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะมีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่จะสามารถดับความทุกข์ทั้งปวง ที่มีอยู่ในใจของสัตว์โลกทั้งหลายให้หมดไปได้ที่จะพาสัตว์โลกให้หลุดออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้พระธรรมคำสอนมีคุณค่ามีประโยชน์มากแต่สัตว์โลกอย่างพวกเรากลับไม่ให้คุณความสำคัญแก่พระธรรมคำสอน เหมือนกับเราให้ความสําคัญต่อสิ่งอื่นๆเราจะให้ความสําคัญต่อการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันเพราะว่าเราไม่เห็นคุณค่าของพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าจะได้ยินได้ฟังธรรมกันอย่างต่อเนื่องแต่ธรรมที่เราได้ยินได้ฟังนั้น ยังไม่สามารถเข้าไปสู่ภายในใจของเราได้เพราะธรรมจะเข้าสู่ใจได้นี้จะต้องเกิดจากการปฏิบัติจะต้องเกิดจากการทำลายอุปสรรคประตูที่ขวางกั้นธรรมของพระพุทธเจ้าให้เข้าสู่ใจของพวกเราอุปสรรคก็คือกิเลสตัณหานี่เองโมหะอวิชชา ยังไม่สามารถน้อมนําเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติมาทาให้ใจสงบให้ได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมที่ชนะรสทางปวงผู้ที่ยังไม่ได้สัมผัสรสแห่งธรรมนี้จะยังไม่เห็นคุณค่าอันเลิศอันประเสริฐของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ของการได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงแม้จะได้ยินได้ฟังแต่ก็ยังไม่ได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมเหมือนกับการที่เราไปร้านอาหารแล้วเราได้ไปอ่านรายการชื่อของอาหารต่างๆรายการอาหารชนิดนั้นชนิดนี้แต่เรายังไม่ได้ รับประทานอาหารเหล่านั้นเพราะเรายังไม่ได้สั่งให้ร้างเขาทำมาให้เรารับประทานเพียงแต่ไปดูรายชื่อของอาหารเท่านั้นเองการได้ยินได้ฟังธรรมก็เป็นอย่างนั้นเป็นการได้ยินรายชื่อของธรรมต่างๆการที่เราจะให้เราได้ลดแห่งธรรมนั้นเราต้องนำเราทม ที่เราได้ศึกษานี้เข้ามาสู่ใจของเราถ้าเราสามารถนำเอาทาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราสร้างกันขึ้นมานี้เข้ามาสู่ใจของเราได้เราก็จะได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงขอให้เราเพียงได้สัมผัสเพียง ขนาดเดียวเท่านั้นไม่ต้องนานเหมือนกับการสัมผัสริ้มรสของอาหารขอให้รับประทานเพียงคำเดียวเท่านั้นก็จะรู้ว่าอาหารนั้นมีรสโอชะอย่างไรแล้วก็จะยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้มาได้รับประทานอาหารชนิดอาหารชนิดนี้ไปตลอดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ ผู้ที่มีศรัทธาในพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าจะต้องหมั่นพยายามสัมผัสกับรสแห่งธรรมให้ได้แม้เป็นเพียงชั่วขณะหนึ่งก็ตามขณะเดียวแป๊บเดียวจิตสงบเพียงแป๊บเดียวเท่านั้นก็จะเห็นคุณค่าของรสแห่งธรรมและจะทําให้เกิดมีฉันทาวิริยะจิตตะวิมังสามีอิทธิบาทสี ที่จะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการศึกษาและกับการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเพิ่มเวลาให้กับการปฏิบัติจะตัดเวลาที่ได้เสียไปกับ ก, บการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้กายยอมทุกกับการการไม่ได้เสบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะ เพื่อที่จะได้เอาเวลาที่ใช้ในการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผดสธพะนี้มาให้กับการปฏิบัติธรรมอันนี้ผู้ใดก็ตามแ้าลองได้สัมผัสกับความสงบเพียงชั่วขณะหนึ่งก็จะเกิดมีศรัทธาอย่างแรงกล้าพร้อมที่จะสละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไป ยอมสละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจะมีเวลาอย่างมากมายที่จะเอามาใช้กับการศึกษากับการปฏิบัติถ้ายังไม่ยอมเสียสละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่จะมีเวลาน้อยมากเช่นอย่างที่มีกันอย่างนี้คือจะมีก็เฉพาะวันหยุดราชการวันหยุดทํางานแล้วก็ยังต้องมาต่อสู้กับความอยาก ที่จะเอาเวลาเหล่านี้ไปใช้กับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยูมันจึงเป็นสิ่งที่ยากของของปุถุชนของมนุษย์ทั่วไปที่จะเข้าสู่ธรรมะของพระพุทธเจ้าได้ถ้าไม่พยายามอย่างสุดๆดแล้วไม่พยายามอย่างเต็มที่แล้วนี้จะ ไม่ค่อยสำเร็จจะต้องยอมเสียสละความสุขทางร่างกายไปเพื่อที่จะได้มีเวลามาปฏิบัติให้มากเพราะการปฏิบัติให้มากนี้เท่านั้นแหละที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมาแล้วพอเกิดผลขึ้นมาก็จะทำให้เกิดมีศรัทธาอย่างแรงกล้ามีกำลังจิตกาลังใจ ที่จะทุ่มเทเวลา่ำเวลาทั้งหมดที่มีอยู่นี้ให้กับการปฏิบัติธรรมกับการศึกษาธรรมนี่คือสิ่งที่ผู้ที่ยังไม่ได้สัมผัสร ถ, รถแห่งธรรมควรที่จะคานึงกันควรที่จะพิจารณากันพยายามดึงเอาเวลาที่หมดไปกับสิ่งไร้สาระทั้งหลาย สิ่งที่ไม่มีความสําคัญหรือถ้าเป็นสิ่งสําคัญก็สําคัญชั่วคราวสาคัญชั่วอายุไขที่เรามีอยู่นี้เท่านั้นพยามมองว่าสิ่งต่างๆที่เราทําที่จะไม่มีความหมายหลังจากที่เราตายไปแล้วนี้ว่าเป็นสิ่งไร้สาระเป็นสิ่งที่เราไม่ควรที่จะไปให้ความสําคัญ ควรให้ความสาคัญต่อการมาสร้างธรรมะของพระพุทธเจ้ากันดีกว่าสิ่งที่เราต้องให้ที่เราจำเป็นต้องเสียสละนอกจากการการปฏิบัติธรรมก็คือเราต้องเสียเวลาให้กับการเลี้ยงดูร่างกายอันนี้เป็นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องให้กับมันต้องให้เวลากับการหาอาหาร หาที่อยู่อาศัยหายารักษาโรคหาเครื่องนุ่งหม่มแต่เราไม่จําเป็นที่จะต้องหาแบบมากมายก่ายกองพระเจ้าทรงสอนให้หาแบบมักน้อยสัมโดดมักน้อยก็คือเอาน้อยน้อยเอาเท่าที่จําเป็นเช่นเสื้อผ้าสองสามชุดก็พออาหารหวันละมือ้อที่อยู่อาศัย พอหลบแดดหลบฝนหลบภัยต่างๆได้ยารักษาโรคก็ตามมีตามเกิดมียาชนิดไหนที่ใช้รักษาโรคได้ก็รักษากันไปถ้าหาไม่ได้ก็ใช้ธรรมโอสสไปธรรมโอสสก็คือการใช้การปฏิบัติธรรมรักษาโรคภัยไข้เจ็บโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างนี่ สามารถใช้การปฏิบัติทรรักษาให้หายได้แต่ไม่ใช่ทุกโรคแต่ก็รักษาไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ก็ถือว่ามันเป็นข้อกรรมของเราไปคืออย่าให้เราเสียเวลามากเกินไปกับการหาปัจจัยสี่ให้กับร่างกายดูแบบพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างทรง ใช้การเบนทบาทเพื่อหาอาหารส่งฉันอาหารในบาทฉันมือเดียวพอแล้วฉันครั้งเดียวที่อยู่อาศัยก็มักจะหาอยู่ตามโคนไม้ตามเงื่อมผาตามถ้ำผ้าก็หาผ้าที่เขาทิ้งไว้ในป่าชา้อาอมาสักอามาเย็บอามาัด ตัดเอามาต่อทำให้เป็นผ้าจีวรไว้นุ่งห่มอาศัยแล้วก็ไม่ต้องมีมากมีเพียงสามผืนก็พอแล้วมีผ้านุ่งหนึ่งผืนผ้าห่มหนึ่งผืนแล้วก็ผ้าห่มกันหนาวสองชั้นหนึ่งผืนเรียกว่าผ้าใจจีวร น, นี่คือความมากน้อยสันโดษของพระพุทธเจ้า เกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยสี่เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปกับเรื่องที่ไม่มีคุณประโยชน์มากเหมือนกับธรรมะร่างกายก็มีคุณมีประโยชน์เพราะเราต้องมีร่างกายไว้ใช้ในการศึกษาในการปฏิบัติธรรมเราก็ต้องดูแลรักษาร่างกายให้อยู่เป็น ปกติสุขไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่พิกลพิการแต่เราไม่จำเป็นที่จะต้องหาแบบพิสดารแบบหรูหราแบบฟุ่มเฟือยเอาแบบประหยัดมัธยัติพอใช้กับกิจที่ต้องใช้ได้ก็พออาหารมีไว้เพื่อดับความหิวต่างๆ เครื่องนุ่งห่มไว้มีไว้สำหรับปกป้องร่างกายปกปิดอวัยวะที่อยู่อาศัยก็เป็นที่หลบแดดหลบฝนหลบภัยต่างๆยารักษาโรคก็มีไว้เพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นมาถ้าเราใช้ความมักน้อยสันโดษในการสแสวงหาปัจจัยสี่ เราก็จะไม่เสียเวลามากจนเกินไปเราก็จะได้มีเวลาที่จะมาศึกษาและมาปฏิบัติธรรมกันถ้าเรามีเวลามากศึกษาปฏิบัติธรรมมากโอกาสที่เราจะได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมก็จะมีมากนี่คือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติควรที่จะพิจารณากันควรจะดู ตารางเวลาของในแต่ละวันว่าเราหมดเวลาไปกับเรื่องใดมากแล้วมาพิจารณาดูว่าสําคัญหรือไม่สําคัญจำเป็นจะต้องหมดไปกับเรื่องราวเหล่านี้หรือไม่ถ้าไม่จำเป็นตัดมันไปดีกว่าเอาเวลามาให้กับการปฏิบัติธรรมดีกว่าเพราะว่าผลที่เราจะได้รับจากการทำเรื่องราวต่างๆกับการปฏิบัติธรรมนี้ มันเหมือนฟ้ากับดินประโยชน์ที่เราจะได้รับนี้ต่างกันเหมือนฟ้ากับดินประโยชน์ที่เราได้รับจากภารกิจการงานต่างๆนี้มันน้อยนิดเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการปฏิบัติธรรมนี่คือเราต้องดูและดูสติติของเวลาที่เราหมดไปในแต่ละวันว่าเราหมดไปกับเรื่องอะไรบ้าง เหมือนกับเราทำบัญชีเงินของเราว่าวันนี้เดือนนี้เราใช้เงินไปในทางไหนบ้างเราควรที่จะตัดหรือจะเพิ่มไปในทางไหนดีใช้ไปในทางที่ไม่เกิดประโยชน์ก็ควรจะตัดควรจะเอาใช้ไปในทางที่เกิดประโยชน์หรือไม่เช่นนั้นก็เก็บเอาไว้การเก็บเงินไว้นี่ก็เป็นประโยชน์ พระจะได้มีเงินสำรองไว้ใช้ในอนาคตเวลาที่เกิดอุปสรรคเกิดปัญหาไม่สามารถที่จะมีรายได้ก็ยังจะได้มีเงินสำรองนี้ไว้สําหรับเลี้ยงดูชีวิตร่างกายของเราต่อไปนั้นควรจะทบทวนเวลาที่เราใช้ไปในแต่ละวันว่าเราใช้ไปกับอะไรบ้างอันไหน สำคัญหรือไม่สาคัญอย่างไรตัดมันได้ก็ควรจะตัดเอาเวลามาให้กับการปฏิบัติธรรมเถอดเพราะการปฏิบัติธรรมนี้จะเกิดผลขึ้นมานี้ต้องมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องถ้าไม่เช่นนั้นก็เหมือนกับการล้มเดินล้มลุกคุกคานถ้ายังเป็นเด็กที่ยังเดิน ไม่ได้ก็ต้องล้มลุกคลุกคลานไปก่อนแต่ถ้าเดินได้แล้วก็จะเดินไปได้อย่างรวดเร็วดังนั้นอย่าให้การปฏิบัติของเราอยู่ในรูปแบบของการล้มลุกคลุกคลานคือทำบ้างไม่ทำบ้างควรจะอยู่ในรูปแบบแบบเดินไปอย่างต่อเนื่องคือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไม่หยุดไม่หย่อน จะหยุดก็เฉพาะเวลาพักผ่อนหลับนอนเท่านั้นถ้าเราสามารถดำเนินปฏิบัติในรูปแบบของการเดินได้ไม่ใช่ในรูปแบบของการนมลุกครุคทานผลที่เราจะได้รับนั้นย่อมปรากฏขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วแล้วพอได้ผลแล้วก็จะทำให้เกิดมีกำลังใจมีศรัทธา ที่จะทุ่มเทเ ว, มเวลาทั้งหมดให้กับการปฏิบัติเพราะลดแห่งธรรมนี้ชนะลดทั้งปวงไม่มีอะไรที่จะให้ความสุขกับเราเหมือนกับความสุขที่เราได้รับจากการปฏิบัติธรรมนี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะกำหนดกำหนดเว ล, เวลา คอยสังเกตดูอย่าปล่อยให้เวลาอันมีค่านี้มันหมดไปกับเรื่องที่ไม่สาคัญหรือเรื่องที่มีประโยชน์น้อยมากเรื่องที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องมีเช่นความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นเรื่องที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องมีไม่มีเราก็ไม่เดือดร้อนที่เดือดร้อนก็เพราะว่ามันติดความสุขแบบนี้เท่านั้นเอง พอเวลาไม่ได้หาความสุขแบบนี้ก็เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาแต่ความทุกข์ทรมานใจนี้เป็นของเชื่วเรล่าเพราะว่าถ้าเราปฏิบัติธรรมจนได้ผลแล้วความทุกข์ทรมานใจที่เกิดจากการไม่ได้หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมันก็จะหายไปผลที่เราได้รับจากการปฏิบัติธรรมนี้ มันจะมาทำลายความทุกข์ทรมานใจที่เกิดจากการไม่ได้เสพไม่ได้หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายดังนั้นเวลาที่เราต้องตัดการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปแล้วมีความรู้สึกทุกข์ทรมานใจก็ขอบอกว่ามันเป็นความทุกข์ทรมานใจชั่วคราวขอให้คิดว่าเป็นเหมือนกับการลงทุน เพื่อที่เราจะได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากตาหูลูกเสียงกลิ่นรสปุถะถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะยอมอดยอมทนยอมทุกข์กับการที่เราไม่ได้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเราก็จะได้มีเวลามาทุ่มเทให้กับการสร้างธรรมะ ให้ปรากฏขึ้นมาภายในใจพอเราสร้างธรรมะขึ้นมาได้แล้วเราก็จะได้รับผลของธรรมได้ลสแห่งธรรม ท, ท, ที่เหนือกว่าความสุขเหนือกว่ารสทั้งปวงเหนือกว่ารสของรูปเสียงกลิ่นรสผพทพะพอเราได้รับผลแล้วความทุกข์ทรมานใจ ที่เกิดจากการไม่ได้หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ก็จะหายไปหมดแล้วจะไม่กลับมาอีกแล้จะความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้จะไม่มีความหมายอีกต่อไปสําหรับใจผู้ที่ได้สัมผัสกับรสแห่งทัพแล้วดังนั้นเราขอให้เอาเวลาทั้งหมดที่เรามีอยู่นี้มาให้กับการ ศึกษาและการปฏิบัติธรรมเอามาสร้างธรรมะกันธรรมะที่เราจำเป็นจะต้องสร้างก็มีสติธรรมเป็นผู้เป็นข้อแรกเป็นธรรมชิ้นแรกที่เราต้องพยายามสร้างขึ้นมาให้ได้เพราะสติธรรมนี้เป็นพ่อแม่ของสมาธิธรรมและปัญญาธรรมถ้าไม่มีสติธรรมแล้วจะไม่มีสมาธิ เมื่อไม่มีสมาธิก็จะไม่มีปัญญาที่จะฆ่ากิเลสได้ถ้าเป็นปัญญาอย่างอื่นฆ่าไม่ได้เช่นปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังธรรมอย่างที่ท่านทั้งหลายกำลังได้ยินได้ฟังกันในขณะนี้ปัญญาระดับนี้ยังไม่สามารถนำเอาไปฆ่าตัณหาฆ่าต้นเหตุของความทุกข์ทรมานใจได้ หรือปัญญาที่เกิดจากการคิดค่ายควรก็ยังไม่สามารถที่จะท่าตันหาดับความทุกข์ได้จำเป็นจะต้องมีปัญญาที่ประกอบกับความสงบคือสมาธิที่เรียกว่าพวานามายปัญญาถึงจะสามารถที่จะดับกิเลสดับตันหาความอยากดับความทุกข์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาภายในใจได้ อยางนั้นทาที่จำเป็นอย่างมากต่อการได้ลดแห่งธรรมก็คือสติธรรมต้องหมันเจริญสติอยู่เรื่อยๆการเจริญสตินี้ก็มีวิธีมีอุบายหลากหลายวิธีด้วยกันทรงแสดงไว้ถึง4ี่สวิธีที่เรียกว่ากรรมฐานสี่สิบชนิดเนี่ยกรรมฐานสี่สิบชนิดนี้เป็นวิธีการสร้างสติ ไม่ใช่ตัวสติเองเช่นพุทธานุสตินี้เป็นเครื่องมือในการสร้างสติขึ้นมาสติไม่ใช่พุทธานุสติสติไม่ใช่คําบริกรรมพุทโธพุทโธแต่การบริกรรมพุทโธพุทโธนี้เป็นการสร้างสติขึ้นมาพอมีสติแล้วก็ไม่จําเป็นที่ต้องใช้คําบริกรรมพุทโธพุทโธ ถ้ามีสติแล้วก็สามารถที่จะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบได้แต่ถ้ายังไม่มีสติก็ต้องอาศัยอุบายของการสร้างสติเ ช, เช่นอนุสติต่างๆอนาปนาสติก็ใช้การดูลมหายใจเข้าออกพุทธานุสติก็ ก, การบริกรรมพุทโธพุทโธวรณานุสติ ก็คือการระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆกายกตาสติก็คือการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายตลอดเวลาใช้ร่างกายเป็นที่ดึงใจเอาไว้ไม่ให้ไหลไปตามกระแสของความคิดต่างๆไม่ให้ไปคิดถึงอดีตไม่ให้ไปคิดถึงอนาคตให้คิดอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายเพียงอย่างเดียว ถ้ามีสติดึงใจไว้ให้ตั้งอยู่ในปัจจุบันไม่ให้ไหลไปตามกระแสของความคิดเวลานั่งเฉยๆจิตก็จะโลมเข้าสู่ความสงบเข้าสู่อัปปนาสมาธิเข้าสู่อุเบกขาเข้าสู่สัคตะวารุถ้ายังมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ปราก่อนมาให้รับรู้มีนิมิตต่างๆมีอะไรต่างๆก็ยังไม่ถือว่า เข้าถึงความสงบอย่างแท้จริงเรียกว่าอุปจารสมาธิอุปจาระสมาธินี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราต้องการก็คืออัปปนาสมาธิเพราะอุปจารสมาธินี้ไม่มีอุเบกขาแต่อัปปนาสมาธินี้มีอุเบกขาเราต้องการอุเบกขาเพราะเราจะใช้อุเบกขานี้หยุดตัณหาความอยากต่างๆนั่นเอง ไม่มีอะไรจะหยุดตันหาความอยากได้นอกจากอุเบกขานี่เราจึงต้องใช้สติให้ใจจดจอ่ออยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแล้วก็อย่าไปหลงกับสิ่งต่างๆที่มาปรากฏให้เห็นในขณะที่กำลังาภาวนากำลังจดจอ่ออยู่กับอารมณ์ของเรา เช่นพุโทโธแล้วดูลมหายใจเข้าออกเวลามีอะไรมาปรากฏให้รับรู้ก็อยากไปสนใจให้ดูลมต่อไปให้พุโทโธต่อไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวสิ่งต่างๆที่มาปรากฏให้เห็นมันก็จะหายไปเวลาใจเข้าสู่ความสงบมันก็จะอยู่กับความว่างอยู่กับโอเบขาอยู่กับความสุขที่เกิดจากความว่างความ ความเป็นอุเบกขานี้อันนี้แหละที่จะทําให้ใจมีกําลังที่จะฝืนตันหาความอยากต่างๆได้เวลาออกจากเวลาอยู่ในสมาธินี้ก็อย่าไปทําอะไรไม่ต้องพิจารณาปัญญายังไม่ใช่เป็นเวลาเวลาจิต ท, ที่ตั้งอยู่ในความว่างความสงบตั้งอยู่ในอุเบกขานี้ให้มีสติคอยประครับประคอง ให้อยู่อย่างนี้ไปให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เพราะถ้าอยู่ได้นานเท่าไหร่กำลังของอุเบกขาก็จะอยู่ได้นานขึ้นไปเท่านั้นเวลาออกมาจากสมาธิก็จะมีอุเบกขาติดออกมาด้วยแต่ถ้าไม่มีการดูแลรักษาประคับประคองด้วยสติหรือด้วยปัญญาอุเบกขานั้นก็จะค่อยๆจางหายไปได้ เหมือนกับเวลาที่เราเอาน้ําเย็นแช่ไว้ในตู้เย็นพอเราแช่ไว้จนกรทั่งเย็นเฉียบเวลาเราเอาออกมาจากตู้เย็นใหม่ๆก็เย็นเหมือนกับขณะที่อยู่ในตู้เย็นแต่พอทิ้งไว้สักพักหนึ่งความเย็นก็จะค่อยๆจางหายไปแล้วความไม่เย็นก็จะกลับคืนมาถ้าเราอยากจะให้มันเย็นต่อ เราก็ต้องใช้กระติกหรืออะไรใส่ไว้ใส่กระติกมีน้ําแข็งแช่ไว้ถ้าไม่ได้ไว้ในตู้เย็นเวลาเอามาจากตู้เย็นจะเอาน้านี้ไปไหนก็ต้องใส่กระติกที่มีฉนวนกันความความร้อนอันนี้ก็จะป้องกันไม่ให้ความเย็นหายไปสติหรือปัญญานี้ก็จะเป็นเหมือนฉนวนการอุเบกขาไม่ให้จางหายไป เวลาเอาจากสมาธิมาก็อย่าปล่อยให้ใจคิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ใช้สติดึงไว้ก็ได้ให้กลับมาอยู่ที่พุโทโธหรือให้กลับมาอยู่ที่สักแต่ว่ารู้ถ้าสติมีกำลังมากไม่ต้องใช้พุโทโธก็ได้เพียงแต่ดึงใจไม่ให้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้สักแต่ว่ารู้ไปไเรื่อยๆอย่างนี้ก็เรียกว่าการใช้สติประครับประคองอุบเบกขา หรือถ้าเกิดมีตัณหาขึ้นมาถ้าอยากจะทําลายตัณหานั้นอย่างถาวรไม่ให้มันโผล่ขึ้นมาอีกก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นโทษของตัณหาเวลาตัณหาโผล่มาทีละครั้งนี้ความเป็นอุเบกขามันจะหายไปใจมันจะสั่นขึ้นมาใจมันจะเพิ่มขึ้นมาทันทีเหมือนกับน้ํานิ่งแล้วมีปลากระโดดโผล่ขึ้นมา ฟอ่ากระโดดขึ้นมาจากน้ำมันก็จะทำให้น้ำนี้ไม่น่งเราก็ต้องใช้ปัญญาหยุดตัณหาความอยากนี้ด้วยการเห็นโทษว่าการปล่อยให้ตัณหานี้การปล่อยให้เราไปทำอะไรตามตัณหาความอยากนี้จะนำพาไปสู่ความไม่สงบของใจจะนำไปสู่ความวุ่นวาย จะนำไปสู่ความทุกข์ต่างๆแล้วสิ่งที่เราอยากได้ก็จะนำความทุกข์มาให้กับเราเช่นเดียวกันเพราะสิ่งที่ต่างๆที่เราอยากได้ที่มีอยู่ในโลกนี้ล้วนเป็นของที่ไม่ถาวรมีเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีเสื่อมมีดับไปได้มาแล้วก็ต้องมีหมดวันที่จะสูญสิ้นไปดังนั้นถ้าเราใช้ปัญญาเห็น ความเป็นอนิจจังไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆความเป็นอนัตตาคือเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับหรือสั่งให้อยู่กับเราไปสั่งให้เป็นเหมือนเดิมได้ตลอดเวลาถ้าเราอยากเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะมันจะไม่ได้ดังใจอยากถ้าเราไม่อยากเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะเห็นด้วยปัญญาเห็นโทษของความอยาก และเห็นคุณของการไม่อยากเห็นคุณของการฝืนการกระทาตามความอยากเราก็ใช้อุเบกขาใช้สติใช้ปัญญาสามตัวนี้ช่วยกันหยุดความอยากไม่ไปทาตามความอยากเท่านั้นความอยากมาชวนให้เราไปทํานู่นทํานี่เราก็บอกไม่ไปดีกว่าอยู่เฉยๆดีกว่าสักแต่ว่ารู้ไปดีกว่าอันนี้ก็จะทำให้ความอยากนั้นหมดกําลังไป พอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่แล้วก็จะไม่มีอะไรมาทำลายความสงบความเป็นอุเบกขาของใจใจก็จะอยู่สักแต่ว่ารู้สักแต่มีความเฉยๆอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเจอกับเหตุการณ์อะไรต่างๆดีหรือไม่ดีก็ตามได้มาก็ไม่ดีใจเสียไปก็ไม่เสียใจเพราะใจไม่ได้พึ่งพาอาศัยสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกนี้แล้วใจได้ที่เพื่งที่ดีกว่าแล้วก็คือใจที่สงบใจที่เป็นกลางใจที่ไม่มีตัณหาความอยากต่างๆใจที่มีลดแห่งธรรมอันนี้แหละคือผลที่เราจะได้รับจากการปฏิบัติการพูดถึงตัณหาความอยากนี่ก็พูดเป็นภาพรวมๆเท่านั้นเองตัณหาความอยากก็มีหลายรูปแบบ หลายอย่างด้วยกันจึงมีการแบ่งชั้นของการบรรลุธรรมไว้สี่ชั้นชั้นโสดาบันก็กําจัดความอยากได้ในส่วนหนึ่งชั้นสกิราคามีก็ได้อีกส่วนหนึ่งชั้นอนาคามีก็ได้อีกส่วนหนึ่งแล้วชั้นอรหันต์ก็ได้อีกส่วนหนึ่งได้ได้ครบถ้วนก็ต้องถึงขั้นที่สี่ขั้นของพระอารหรันต์ ถึงจะสามารถกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้รายละเอียดนี้ก็ต้องไปปฏิบัติแล้วไปเจอผู้ที่มองจิตอยู่ตลอดเวลาถ้ามีสมาธิแล้วจะเข้าถึงตัวจิตจะเห็นการทำงานของอริยสัจสี 4, ว่าเป็นการทำงานของสองฝ่ายฝ่ายผูกมัดให้ติดอยู่ในกองทุกข์ กับฝ่ายที่ปลดเปลื้องให้อลุดออกจากกองทุกข์ฝ่ายที่ผูกมัดให้อยู่กับกองทุกข์ก็คือสมุทยัยสมุทัยกับความทุกข์เวลามีความอยากก็จะมีความทุกข์แล้วความอยากนี้ที่เกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าฝ่ายของมรฝ่ายที่ปลดเปลื้องใจออกจากกองทุกข์นี้มีกําลังน้อยกว่าเหมือนกับการชักไเยื่อกันของ สองฝ่ายฝ่ายไหนมีกําลังมากกว่าฝ่ายนั้นก็จะดึงไปทางของฝ่ายนั้นเช่นถ้าธรรมะมีกําลังน้อยกว่าเช่นสติสมาธิปัญญามีกําลังน้อยกว่าตันหาความอยากก็สู้ตันหาความอยากไม่ได้ก็จะใจก็จะวุ่นวายขึ้นมาใจก็จะมีความทุกข์ต่างๆขึ้นมาถ้ามรรคคือสติสมาธิปัญญา มีกำลังมากกว่าตนานาความทุกข์ก็จะสงบไปความทุกข์ก็จะหายไปความอยากก็จะหายไปใจก็จะสงบใจก็จะมีความสุขดังนั้นสิ่งที่เราจําเป็นที่จะต้องสร้างให้มากก็คือมรคนี่เองสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาให้มากเหมือนกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเลย เวลาไปดับเพล่งนี้เจ้าหน้าที่ต้องมีน้ําไว้มากๆถ้าน้ํามีน้อยกว่าไฟสู้ไฟไม่ได้ก็จะดับไฟไม่ได้ถ้ามีน้ํามากกว่าไฟกําลังของน้ํามีกําลังมากกว่ากําลังของไฟน้ําก็จะสามารถดับไฟได้ไฟป่าบางชนิดนี้ดับไม่ได้หรือกว่าจะดับได้นี่ใช้เวลามากก็เพราะว่ากําลังของน้ํามีไม่พอ ซู้กำลังของไฟไม่ได้ฉันใดความทุกข์ใจของพวกเราถ้ามีถ้ามีตันหามที่มีกําลังมากกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าความทุกข์ของใจเราก็จะดับไม่ได้แต่ถ้าเรามีธรรมะของพระพุทธเจ้าที่มีกําลังมากกว่าตันหาเราก็จะดับความทุกข์ใจต่างๆให้หมดไปจากใจได้เวลาใจสงบในใจจะเข้ามาถึงจุดนี้ ใจจะเห็นการทำงานการต่อสู้ของของของทั้งสองฝ่ายถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับได้ไปนั่งดูมวยข้างเวทีเลยเวลาดูมวยข้างเวทีกับเวลาดูมวยที่ข้างหลังเวทีนี่มันมองไม่ชัดอยู่ข้างหลังเวทีมันมองไกลมองไม่ชัดเหมือนกับเวลานั่งอยู่ข้างข้างหน้าเวทีฝายไหนชกกี่มัดนี้เห็นเลยกรรมการที่ตัดสินจึงต้องนั่งอยู่ข้างเวที ไม่ได้ไปนั่งอยู่ที่ขอบของเวทีอยู่ข้างหลังของเวทีจะมองไม่เห็นชัดจิตของผู้ที่ยังไม่มีสมาธินี้จะยังมองไม่เห็นการทำงานอย่างชัดเจนของสมุดไทยกับของมักแต่ถ้าจิตได้เข้าสู่สมาธิได้เข้าสู่อุเบกขาแล้วจะสามารถเห็นการทำงานได้อย่างชัดเจนเพราะขณะที่จิตอยู่ในอุเบกขาจิตจะนิ่ง แสดงว่าตอนนั้นธรรมะมีกาลังมากสติมีกำลังมากกว่าตันหาความอยากแต่พอสติอ่อนกำลังลงตันหาก็ดันใจให้ออกมาสู่ข้างนอกมาสู่รูปเสียงกลิ่นลมแล้วก็เกิดตันหาขึ้นมาพอเกิดความอยากตันหาขึ้นมาก็เกิดความกระเพิ่มของใจขึ้นมาผู้ปฏิบัติเวลาปฏิบัติถึงจุด น, นี้แล้วไม่มองอะไรแล้วมองใจเป็นหลัก ดูว่าใจตอนนี้กระเพื่อมหรือไม่กระเพื่อมอยากหรือไม่อยากแล้วก็แก้ตรงที่ใจนี้ไม่ไปแก้ที่ข้างนอกข้างนอกก็แก้ไปตามเหตุตามผลอันไหนพอจะแก้ได้ก็แก้ไปแต่ปัญหาที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกปัญหาที่แท้จริงอยู่ที่ข้างในใจอยู่ที่ตันหาความอยากที่มีกำลังน้อยกว่าธรรมะ คือสมาธิสติและปัญญาถ้าถ้ามีสติมีสมาธิมีปัญญามากกว่าก็จะสามารถหยุดตัณหาความอยากต่างๆได้ตัณหาอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นตายลักษไปพอเห็นว่าเป็นตายลักเห็นว่าเป็นทุกข์ก็ไม่อยากได้แนละ้วเปลี่ยนใจไม่เอาดีกว่าใครอยากจะเอาความทุกข์กัน ที่ทำแทบเป็นแทบตายที่อยากกันแทบเป็นแทบตายก็เพราะคิดว่ามันเป็นความสุขกันแต่ไม่รู้เพราะว่าไม่ได้มองอยู่ที่ใจใจทุกข์แบบกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ก็ยังอยากที่จะได้สิ่งที่อยากได้อยู่จนกว่าจะได้สติเห็นว่าตอนนี้เรากำลังทุกข์เรากำลังแก้ปัญหาผิดจุดผิดที่ที่เราจะต้องแก้ต้องอยู่ที่ใจอยู่ที่ตัณหา ถ้ามีสติมีปัญญามีสมาธินี่จะอยู่ใกล้ใจมากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของจิตใจตลอดเวลาแล้วก็จะแก้ปัญหาที่จิตใจด้วยสติหรือด้วยปัญญาถ้ายังหาปัญญามาแก้ไม่ได้ก็ใช้สติดึงจิตหยุดคิดปรุงแต่งไปก่อนนงงับความคิดปรุงแต่งไปชั่วคราวให้สักต่วารู้ไว้แล้วความอยากก็จะหยุดไปชั่วคราว แต่เวลาใดที่เผลอปล่อยให้คิดก็จะเกิดความอยากขึ้นมาใหม่ถ้าจะอยากให้กําจัดความอยากอย่างท้าวรก็ต้องเอาปัญญามาสอนใจสอนให้เห็นว่าถ้าทําตามความอยากนี่แล้วจะนําไปสู่ความทุกข์อันนี้เป็นเรื่องของการบําเพ็ญถ้าบําเพ็ญถึงจุดที่เรียกว่าเข้าถึงฐานของจิตแล้ว มันจะรู้ว่าเวทีต่อสู้นี้ไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกเวทีที่ต่อสู้ระหว่างธรรมกับปิเลสนี้อยู่ภายในใจถ้าเรายังไม่ได้เข้าถึงฐานของจิตนี้เรายังไม่เข้าถึงเวทีเรายังจะไม่รู้จักวิธีดับความทุกข์ใจต่างๆเราก็จะไปดับความทุกข์ใจด้วยการไปเปลี่ยนหรือไปแก้สิ่งต่างๆที่ทาให้เราไม่สบายใจ ถ้าคนนั้นไม่สบายใจเราก็ไปแก้ที่คนนั้นถ้าสิ่งนั้นไม่สบายใจเราก็ไปแก้ที่สิ่งนั้นแก้ไปมันก็อาจจะแก้ได้ทําให้สบายใจได้แต่เดี๋ยวมันก็มีสิ่งใหม่โผล่ขึ้นมาที่จะทําให้เราไม่สบายใจอีกหรือจะมีคนใหม่มาทําให้เราไม่สบายใจอีกเราก็จะต้องแก้ไปเรื่อยๆไม่มีวันจบเส้นเพราะเราไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุคือตัณหาความอยากของเราเราไปแก้ที่ปลายเหตุ เวลาของไหนเสียเราก็ไปซ่อมมันพอซ่อมมันเอามาใช้ได้ความไม่ความทุกข์ใจกับของนั้นก็หายไปเดี๋ยวใช้ไปสักพักมันก็เสียขึ้นมาอีกก็ต้องซ่อมอีกซ่อมไม่ได้ก็ไปซื้อใหม่พอซื้อใหม่เดี๋ยวใช้ไปสักพักมันก็เสียอีกเพราะของทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นของชั่วคราวมันดีชั่วคราวมันมันให้ความสุขเราชั่วคราวแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องมีอันเป็นไป ถ้าเราต้องไปแก้ภายนอกเราก็ต้องแก้อยู่เรื่อยๆถ้าเราแก้ภายใ น, า น, น, น, นมันก็จะแก้ห น, นเดียวเมื่อมันเสียก็ไม่ต้องไปซ่อมมันไม่ต้องไปใช้มันก็หมดเรื่องเกิดมาเราก็ไม่ไดเ อ, เอามันมากับเราเรามีอะไรติดตัวมากับเราบ้างเราไม่มีอะไรติดตัวมากับเราทาไมเราอยู่ได้ตอนตอนนี้ทำไมเราต้องมีอะไรเต็มบ้านไปหมดมีข้าวมีของมีเครื่องใช้ไม้สอยมีคนนั่นคนนี้มาคอย รับใช้เรามาให้ความสุขกับเราแล้วเวลาที่เขาไม่อยู่เราจะทำอย่างไรเวลาที่เขาไม่สบายเวลาที่เขาเสียเราจะทำอย่างไรเราก็ต้องไปเปลี่ยนไปซ่อมไปรักษาอะไรวุ่นวายไปหมดเนี่แต่ถ้าเราไม่ไปใช้เขาสย่างมันก็จะหมดปัญหาไปพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าอย่าไปพึ่งอะไรให้พึ่งตนเองอัตตาหิอัตโนนาโตพึ่งตนก็คือพึ่งทำ ของพระพุทธเจ้านี่แหละถ้าเรามีธรรมแล้วเราไม่ต้องพึ่งอะไรแม้แต่ร่างกายนี้เราก็ไม่ต้องพึ่งมันถึงเวลาที่มันจะแกะ่มันจะเจ็บมันจะตายก็ปล่อยมันแก่มันเจ็บมันตายไปจะไม่ทุกข์จะไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายถ้าเรามีธรรมเป็นที่พึ่งถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเป็นที่พึ่งมีการหลุดพ้นเป็นที่พึ่ง จิตดุดพ้นแล้วนี้จะไม่ต้องพึ่งพาอาศัยต่างๆสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้สิ่งต่างๆจะมีหรือไม่มีจะเกิดหรือจะดับนี้จะไม่เป็นปัญหากับจิตใจต่อไปอันนี้แหละคือเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมเพื่อที่ให้ใจของเรานั้นหลุดพ้นจากการพึ่งพาอาศัยสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ต้องไปพึ่งพาอาศัยมันเพราะพึ่งไม่ได้นั่นเอง พึ่งได้เป็นครั้งเป็นคราวเวลาที่พึ่งไม่ได้ก็จะทุกข์จะเดือดร้อนแต่ถ้าไม่พึ่งแล้วก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนถ้ามีที่พึ่งที่ไม่มีวันสิ้นไม่มีวันหมดก็คือธรรมที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราสร้างกันขึ้นมาภายใน ใ, นใจนี้เองถ้าเรามีสติธรรมมีสมาธิธรรมมีปัญญาธรรมอยู่ในใจแล้วเราไม่ต้องพึ่งอะไร นี่แหละเป็นธรรมังสารนังกชามิเป็นที่พึ่งของเราเป็นอัตตาหิอัตโนานาโถตอนต้นก็ต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อนเพราะเรายัางไม่มีธรรมต่างๆอยู่ในใจของเราเราก็ต้องพึ่งพุทธทางธรรมังสังขังสารนังกชามิเข้าหาพระพุทธเจ้าเข้าหาพระอาหารหันตสาวกเข้าหากูบาจารย์พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เพื่อให้ท่านสอนวิธีสร้างธรรมะขึ้นมาภายในใจพอเราได้สร้างธรรมะขึ้นมาภายในใจแล้วเราก็อยู่คนเดียวได้ไม่ต้องไปอยู่กับครูบาอาจารย์ไม่ต้องไปศึกษากับท่านเพราะว่าเราเป็นที่พึ่งของเราได้แล้วที่เรายังต้องศึกษาต้องพึ่งครูบาอาจารย์เพราะว่าเรายังไม่มีธรรมะอยู่ภายในใจหรือมียังมีไม่มากพอหรือยังมีไม่สมบูรณ์ถ้ายังไม่สมบูรณ์ และยังไม่รู้จักวิธีทําให้มันสมบูรณ์ก็ต้องพึ่งคนที่เท่าได้ทําให้มันสมบูรณ์แล้วนั่นเองคนที่ทําให้ใจเป็นที่พึ่งของตนได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็คือพระพุทธเจ้าและพระอาหลานตสาวกทั้งหลายดังนั้นในเบื้องต้นเราจึงต้องมีพุทธาทางธรรมังสังฆังสาร น, นังกระฉานี้เป็นที่พึ่งไปก่อนจนกว่าเราจะได้ทําแท้ที่อยู่ภายในใจของเราเป็นสรารนณะเป็นที่พึ่ง เมื่อเราได้ทำที่เราสร้างขึ้นมาด้วยการปฏิบัติเป็นที่พึ่งเราก็ไม่ต้องพึ่งทำข้างนอกเราไม่ต้องพึ่งทำของจากพระโอษของพระพุทธเจ้าจากคำสอนของพระอาหารหันตสาวกเพราะเราได้น้อมเอาทำเหล่านั้นเข้ามาสู่ในใจของเราแล้วมาเป็นที่พึ่งของใจเราได้แล้วเราจะอยู่กับครูบาอาจารย์หรือไม่อยู่กับครูบาอาจารย์ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเหมือนกันเพราะว่า เราไม่ต้องพึ่งท่านแล้วเรามีธรรมของท่านอยู่ในใจของเราแล้วอยู่ที่ไหนก็เหมือนกับมีเหมือนอยู่อยู่ที่ไหนก็เหมือน ก, มนกับได้อยู่กับท่านอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่ า, าเราให้เธอเกาะชายผ้าเหลืองของเราแต่ถ้าเธอไม่มีธรรมอยู่ภายในใจของโวกเธอเธอก็อยู่ห่างไกลจากเราเป็นโยดแต่ถ้าเธอมีธรรมของเราอยู่ในใจของเธอแล้วนี้ถึงแม้เธอจะอยู่ห่างไกลจากเราเป็นโยด ก็เหมือนกับอยู่ใกล้ชิดกับเราเหมือนกับเกาะชายผ้าเหลืองของเราเนี่แหละเรื่องของหลักของธรรมเป็นอย่างนี้ถ้าไม่ปฏิบัติแล้วจะไม่รู้จะจะไปหลงติดอยู่กับรู ป, ปรธรรมที่ยังเป็นธรรมปลอมอยู่ไม่ใช่เป็นธรรมจริงเพราะยังไม่เป็นธรรมที่สามารถที่จะดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้ยังไม่สามารถเป็นที่พึ่งของใจได้ ก่อนถ้าไม่ปฏิบัติแล้วจะไม่เข้าใจเรื่องของธรรมแท้ว่าเป็นอย่างไรก็จะกลับคิดว่าเป็นเรื่องพิสดารเรื่องๆนอกลูนอกธรรมไปก็ได้เช่นพวกที่ยังติดกับพิธีกรรมต่างๆเวลาจะทำอะไรต้องตั้งหน้าโมสามจดเวลาจะฟังเทศจะต้องมีการอราธนาศีลอาราธนาธรรมพอพระโผล่ึ้นมาไม่ตั้งหน้าโมพูดธรรมะไปเลยก็หาว่าเป็นพระ พระป่าพระพระป่าเถื่อนไปเออไม่ใช่พระที่เอเป็นไปตามที่ควรจะเป็นเอนี่คือเรื่องของผู้ที่ยังเข้าไม่ถึงตัวธรรมยังติดอยู่ที่ตัวเปลือกของธรรมเอเปลือกของธรรมก็พิธีกรรมต่างๆนี้เองเอบางคนมานี่จะลาทีจ ะ, จะมาทีจะไปทีต้องตั้งน้ามูกันหรอไม่ต้องตั้งหรอกกราบก็กราบไปก็ไปเลยมาก็มา อย่ามาเสียเวลามาตั้งน้โมมาขอขมาอะไรกันให้เสียเวลาขอขมาก็ขอในใจนั่นแหละเราไปทำอะไรใครเขาผิดเราก็อย่าไปทําอีกมันก็จบไม่ต้องมาตั้งน้โมมากล่าวคําขอขมาเราอย่าไปทําซ้ำซากคําว่าขอขมานี่ก็เพื่อไม่ให้เราไปทําซ้ำซากให้เราสํานึกผิดในการพฤติกรรมของเราแล้วเราอยากไม่ต้องไปทําต่อเพราะคนที่เขาถูกละเมอเ น, นี่ยเขาไม่เขาไม่สนใจหรอก เขาอยู่ของเขาได้จะไปไปร่วงเกินอะไรเขาถ้าเขามีธรรมอยู่ในใจเขาไม่สนใจเลยเขาถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาอยู่ในโลกนี้มีสรรเสริญมีนินทาเป็นธรรมดาเวลาทำอะไรถูกใจเขาเขาก็สรรเสริญเรายกย่องเราเวลาทำอะไรไม่ถูกใจเขาเขาก็ด่าเรามันก็มีเท่านั้นจะมีอะไรไปห้ามเขาได้ที่ไหนแต่คนที่มีธรรมอยู่ในใจนะั้นไม่ไม่กังวล ไม่ต้องมาขอขมาไม่ต้องมีอะไรทําอะไรผิดถ้ารู้ทำนึกผิดแล้วก็แก้ไปอย่าไปทํามันอีกเท่านั้นแหะนี่คือหลักของการขอขมาก็เพื่อที่จะได้ไม่ไปร่วงเกินผู้อื่นอีกถ้ารู้ว่าการกระทําของเรานั้นมันเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะไม่ควรครั้งต่อไปก็อย่าไปทํามันเท่านั้นเองมันก็จบนี่คือพูดเปรียบเทียบเรื่องของการรู้ทำ ที่ยังเป็นเปลือกกับการดูธรรมที่เป็นเนื้อมันต่างกันอย่างนี้ดังนั้นเวลาเราไปวัดป่านี้เราจะเห็นว่ากา ร, รการกระทำพิธีกรรมต่างๆนี้จะ แ, แทบจะไม่มีกันเพราะท่านไม่สนใจเรื่องเปลือกท่านจะเอาแต่เนื้อแต่ถ้าเราไปอยู่วัดที่ยังไม่มีเนื้อเขาก็จะมีแต่เปลือกให้เรากินกันตั้งนโมกันอยู่นั่นะ ท, ทํารทีกันโมกันวิธี มีแต่กล่าวคำถวายมีแต่การสวดสาธยายอะไรไปร้อยแปดพันประการแต่ผลคือความสงบใจนี้ไม่เกิดขึ้นมาเลยความสุขความปิติของใจไม่มีเลยเพราะไม่ได้เนื้อธทำได้แต่เปลือกทำแต่ไปวัดป่าวัดที่ไม่มีไม่มีพิธีกรรมนี้ไปถึงก็แสดงธรรมกันเลยเครืเวทีแสดงธรรมถ้าตั้งจิตตั้งใจฟัง พอเข้าใจทมขึ้นมาก็จะเกิดความปิติเกิดความสุขใจขึ้นมานี่คือเรื่องของธรรมที่มีทั้งสองรูปแบบธรรมที่เป็นเปลือกและธรรมที่เป็นเนื้อเราต้องตอนตุ้นเราก็ต้องเจอเปลือกก่อนเป็นธรรมดาเราก็ต้องศึกษาฟังเทศฟังธรรมไปก่อนเราก็ถูกสอนให้ทําพิธีอะไรต่างๆไปให้ทําวะเช้าเย็นให้เวลาถวายของก็ต้องมีการกล่าว เวลาขอศีลก็ต้องมีการกล่าวคำขอศินศินมีแค่ห้าข้อแต่กล่าวกันไม่รู้กี่ร้อยครั้งขอเพื่ทำไมมันห้าข้อขอคนเดียวมันก็จบแล้วการขอก็ให้รู้ว่ามีอะไรบ้างเท่านั้นเองไม่รู้จึงมาถามพระว่าศินห้ามีอะไรบ้างจะได้เอาไปรักษาพอรู้แล้วก็ไม่ต้องมาขออีกแล้วขอไปทาไมมันก็ไม่ได้มากไปกว่าห้าข้อนี้ขอห้าร้อยครั้งมันก็ได้ห้าข้อนี้แหละ ขอเพงเดียวก็พอขอให้แล้วขอให้รักษาให้มันได้ดีกว่าขอห้าร้อยครั้งห้าร้อยครั้งแล้วรักษาไม่ได้ไหมแต่ข้อเดียวนี่คือพูดเปรียบเทียบให้ฟังเรื่องของเปลือกกับเรื่องของเนื้อเพื่อจะได้มีอะไรเป็นเครื่องพิจารณาเป็นเครื่องที่จะทำให้เรารู้ว่าเรากำลังปฏิบัติถูกหรือปฏิบัติไม่ถูกเรายังติดอยู่กับเปลือกหรือเราเราอยู่ติดอยู่กับเนื้อแล้ว นี่คือเรื่องของการเข้าหาธรรมในวันที่เรามีวันหยุดเพิ่มขึ้นมาวันหนึ่งซึ่งมีเวลาน้อยมากปีหนึ่งที่เราจะมีวันหยุดที่เราจะเข้าวัดเพื่อเข้าหาธรรมะของพระพุทธเจ้านี้มีไม่กี่วันมีไม่ถึงสามสิบวันในปีหนึ่งที่มีสามร้อยหกสิบห้าวันนี้เรามีเวลาเข้าวัดสักสามสิบวันได้หรือไม่คิดดูก็แล้วกันว่ามันมากหรือน้อยเพียงอย่างไรแล้วผลที่เราจะได้รับจาก การปฏิบัติมันจะได้มากน้อยเพียงอย่างไรดูคนที่เขาอยู่วัดตลอดเวลาอยู่แล้วก็ไม่ใช่อยู่แค่ปีสองปีอยู่กันเป็นเป็นสิบปีนั่นแหละคนเหล่านี้แหละเป็นผู้ที่จะได้รับผลที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมกันแต่ถ้าเข้าวัดกันปีละไม่กี่วันอันนี้โอกาสที่จะได้รับผลนี้มันน้อยมาก ก็ขอให้นำเอาเรื่องราวที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพนิพิจณาและปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในธรรมที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมท น, นาให้ผ่อนยะถาวาริวะ า, าปุราปาริปุเรนติสากรลัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปฏิอิทิตังปฏิตังตุมหังคิดเเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสัง a ปาจันโทปนาวะโสยัทามนิจติระโสยัทาสัพพิติโยวิวัจจตุสัพพารโควินัสตุ มาเตภวัตวรนตารโยสุขีทีคายยโกพวะอภิวาธนาศิลิษะนิจังวุธาปจายโนจตารโรธรรมวาทานติอายุวโนสุขังพาลางังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงฐานตอบปัญหาธรรม ท่านผู้ใดยอยากจะถามปัญหาก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยหลังจากที่เราเล่มประชุมแล้วก็ขอยุติการถามตอบปัญหากับนัศกศรพระอาจารย์ขอโอกาสสอบถามนะครับพอดอีวันเสาร์ที่เจ็ดพฤษภาคมนะครับผมจะบวชอยู่ที่วัดพระรามเก้านะครับกำหนดสามสิบวันก็เลยพอดีอ พระที่จะบวชก็คือหน้าที่จะบวชมีจํานวนวันสามสามสิบกว่ารูปครับแล้วทีนี้ก็คือผมผมเองก็คื อ, อคนที่จะบวชนี่ค่อนข้างเยอะก็เลยหลังจากบวชนี้ก็คืออยากจะมาศึกษาปฏิบัติกับพระอาจารย์นี้ก็คือก็เลยอยากจะมาสอบถามพระอาจารย์ครับผมจะมากี่คนอะ่ะก็คือตัวตัวผมคนเดียวครับก็เลยอ๋อ <laughs> ครับผมที่วันนี้เราก็มีขั้นตอนของการรับพระเน่ร ข, ขั้นตอนได้ก็ต้องไปติดต่อกับพระที่อยู่ข้างล่างแล้วเขาจะจัดที่พักให้อยู่เพราะจะทํากิจกรรมส่วนหนึ่งที่ข้างล่างเช่นการบินธรบาดการขบฉันการไหว้พระสวดมนต์ลงโบสเช้าเย็นอันนี้เป็นกิจกรรมของพระบวชใหม่ครับผมส่วนการปฏิบัติธรรมบนเขาวนี้โดยหลักแล้วจะเป็นของพระที่ได้บวชมาหลายพรรษาแล้วหรือถ้าพระพระบวชใหม่อยากจะมาทด ลองบ้างก็มาได้ในเวลาที่ว่างจากภารกิจที่ต้องทําอยู่ข้างล่างก็สามารถขึ้นมาหาที่ที่ไหนสงบนั่งสมาธิเดินจงกรมได้ครับแล้วก็ที่สถานที่จําวัดที่ข้างล่างนี้ก็คือจะจ ะ, จะแยกจะแยกหรือหรือต้องออจําวัดรวมกันครับก็เป็นกุฏิหลังหลังหนึ่งเป็นสองชั้นก็อยู่ได้สรูปชั้นบนชั้นล่างอ๋อครับผม เพราะว่าที่วัดรถรามกลางมีก็คือพระบวชค่อนข้างเยอะอแล้วก็ที่เมษาที่ผ่านมานี่ก็มีบวชมาณ9รูปพอดีไปสอบถามอาจารย์แล้วก็การจําวัดหรืออะไรตอนกลคืนอาจจะมีนอนรวมกันอะไรนี้คับอาจารย์มผมเองก็คือจะเป็นคนชอบการภาวนาชอบการปฏิบัติบางทีก็อาจจะไม่สะดวกครับก็เลยก็เลยมาสอบถามพระอาจารย์แล้วก็กเวลาจะบวชเราก็ต้องไปดูวัดที่เราจะไปบวชก่อนว่าเป็นวัดแบบไหนครับถ้าไปอยู่ ไม่ไปดูก่อน ก, ก็จะได้แบบวัดที่เราไม่ต้องการครับถ้ามาบวชที่นี่เขาก็จะให้อยู่แยกเป็นหลังๆกันไปครับผมหลังหนึ่งก็มีสองชั้นชั้นบนชั้นล่างแย่คาอยู่ไปจะไม่ให้อยู่รวมกันครับถ้าเต็มเราก็ไม่รับพระใหม่เข้ามาครับเพราะว่ามันเต็มถ้ามีมากแล้วมันมันไม่สงบก็ไม่ประโยชน์ไม่มีประโยชน์อะไรครับผมเพราะว่าบางทีเหมือนกับว่า ตัวผมเองสมรุร่าจะจะนอนอตื่นเช้าบางทีตั้นาฬิกาปลุกถ้านอนรวมกันอาจจะไม่สะดวกกับคนที่อยู่ข้างๆ ท, ที่นี่ได้ตื่นเช้าเพราะที่นี่เขาให้ตีะระฆังตอนตีสี่ครับผม ต, ตีสี่ให้ลงโบสถ์ไปนั่งสมาธิแล้วพอตีห้าก็ให้มีการสวดมนต์จนพอถึงเวลาบิณฑบาตก็ไปบิณฑบาตบิณฑบาตเสร็จก็ ก, กลับมาชั้นร่วมกันที่ศาลาชั้นเสร็จก็ช่วยกันเก็บกวาดศาลา ล้างบาตเสร็จแล้วก็กลับไปที่พระของตนไปภาวนาไปเดินโยมกรมนั่งสมาธิจนกว่าจะถึงเวลาบ่ายก็มีที่ให้ไปดื่มน้ำปนานะได้แล้วหลังจากนั้นก็ช่วยกันปัดกวาดลานวัดแล้วก็อาบน้ำอาบท้าเพื่อตอนหกโมงเย็นก็ลงโบสอีกครั้งไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิถึงประมาณทุ่มครึ่งก็จะเป็นกิจวัตรประจวาวันของพระที่อยู่ข้างล่างครับ แล้วแล้วพระอาจารย์หีไปต้องไปเทศสั่งสอนที่ก็สั่งสอนพร้อมกันในช่วงเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์กับวันพระก็จะมีแสดงธรรมให้กับญาติโยมกับพระเนนที่อยู่ในศาลาครับญาติโยมจะมาอย่างมเช้านี้ก็มาทมําบุญใส่บาตกันพอก่อนจะฉันก็จะเทศธรรมะให้ฟังครับแล้วก็จะอัดเสียงไว้ใส่ในแผ่นซีดีเดี๋ยวคุณเอาแผ่นซีดีไปฟังก็ได้ครับผม แล้วก็อย่างอย่างถ้าจะขึ้นมาภาวนาที่นี่ก็เป็นช่วงกลางวันใช่ไหมครับอาจารย์เวลาที่ว่างจากภารกิจข้างล่างจะขึ้นมากับพระบนเขาก็ได้พระบนเขาจะขึ้นมาหลังจากชั้นเสร็จจะมีรถรับขึ้นมาส่งแล้วขาลงไปอาจจะเดินลงไปครับผมก็ถืว่าเดินจงกรมลงไปแค่สามกิโลครึ่งครับนะครับไปก็ไปเตรียมตัวอาบน้ําอาบถ้าเพื่อจะได้ไปลงโบสถ์ไหว้พระสวดมนต์ต่อในตอนเย็นครับผม ก็เหมือนกับว่าถ้าถ้าผมปวดอยู่ที่นั่นเสร็จก็สักพักก็กราบเรียนพระอาจารย์หลวงพ่อแล้วมาแจ้งท่านครับผมแล้วก็ต้องมาติดต่อกับพระที่ดูแลข้างล่างว่ามีที่พักก็อยู่ว่าใส่หรือเปล่าครับก็ต้องต้องมาติดต่อไว้ก่อนก็ดีลองไปถามที่กุติเบอร์สีเดี๋ยวลงไปนี่เราไปแวะไปที่กุติเบอร์สีเดีครับจะมีพระอธิบายให้ฟังอ๋อครับอ๋อได้ครับผมก็ก็ให้เข้าสงสัยแล้ครับอ๋อได้ เดี๋ยว t ะส m a i n ไ o ทางนี้หน่ k ยย a งไงนะไปก่ a น People can understand English. Mm -hmm. oh, okay. Go ahead. Go ahead. Uh, thank you. Um, uh, so uh, I uh, was just meditating um, at another temple, and um, uh, I'm Relatively new to meditation, and so I'm using—I'm uh, um, uh, trying to use the sound of silence, as developed by Alden t m a t o and um, that seems to work best for me because the um, breathing doesn't work as well for me. However, whenever I shut my eyes, since I was um, really just starting, even when I was a little boy, um, I always see a color, and um, it's a sort of—I don't know—hard to explain. A little bit like black and purple together. And um, uh, I, you know, can't seem to get rid of it, and so I end up focusing on that color all the time, um, even though I should be listening to the sound of silence. Um, and so when I was at the temple, people were telling me other methods, and some of these methods um, they tell me I probably shouldn't practice at this point of my um, uh, training. And so um, I was wondering uh, if you have thoughts about how I can. Um, shift my attention from one meditation method to another. Well, the best teacher is the Buddha. So, if you want to have the best result, you should listen to the best teacher. And the, the Buddha will teach you to use mindfulness of breathing as your object of meditation. You should focus your attention at your breathing, whether you're breathing in or out. Just beware of your breathing. The goal is to stop your mind from thinking aimlessly. If you have something for the mind to do, then it cannot go think about this and that. And when it doesn't think about anything, then it will eventually become peaceful and calm and quiet and still. So I I would recommend that if you want to follow anybody's teaching, I think the best teacher is the Lord is the Buddha. And try to get rid of your old method because if your old method works, you should be enlightened by now. Yeah. If, does, if you're not enlightened, then it means your old method doesn't work. You should throw it away. Like when you want to get a new cup of tea, you have to throw the old tea in the cup away so you can fill in the new cup of tea. Yeah. So if you want to. Uh, to to to try something different because what you have done so far doesn't achieve what you want then you should throw that method away and try the method that been recommended by the great teacher by the Lord Buddha mm. so, thank you you should go and read the Four Foundations of Mindfulness that's the That's the teaching of the Lord Buddha on meditation, on mindfulness, and on wisdom. Have you ever read the Four Foundations of Mindfulness? Um, I don't b e i e v so. In, just search in the Google, you'll come up Four Foundations of Mindfulness. Okay. It will teach you how to sit and uh, sit using your breath as your object of concentration. And when you get, out of, get up from your meditation, he'll teach you to use your body as your focus of your mindfulness. Okay. The goal is to prevent you from thinking aimlessly. To to blank your mind, to make your mind empty, because an empty mind brings happiness and peace. Okay. Thank right. you. Okay. q u e d t w n from Facebook, ka. Huh? คำถามจากคุณหมีแพนด้าผมไปกราบพระที่โบสถ์วัดมาเหยงเกิดร้องไห้สะอึกสะอื้นร้องหนักมากครับไปที่นี่ครั้งแรกเมื่อปลายปีที่แล้วเกิดจากสาเหตุอะไรครับเคยไปไหว้พระทั่วจังหวัดอยุธยาไม่เคยเกิดอาการนี้ครับมันเกิดอะไรขึ้นมาก็ให้ศักแต่ว่ารู้ไปว่ามันเป็นอย่างนี้เราไม่จําเป็นที่จะต้องไปหาค้นหาสาเหตุเรา สิ่งที่เราควรจะรู้ก็คือวิธีปฏิบัติกับสิ่งที่เกิดขึ้นวิธีที่จะปฏิบัติกับสิ่งที่เกิดขึ้นดีที่สุดก็คือปล่อยวางอย่าไปมีปฏิกิริยากับสิ่งที่ปรากฏเพียงแต่ให้สักน ว, วารู้รู้ว่ามันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปแล้วก็อย่าไปอยากอย่าไปให้มันเป็นอย่างนั้นหรือเป็นอย่างนี้เดี๋ยวขอถามทุกคนหน่อย Have you got my book yet Okay, คำถามจากคุณเคโรอบอเวลาที่เรานั่งฝึกสมาธินั้นช่วงเวลาที่ลมหายใจเราหายไปหลายครั้งจะเกิดความกลัวขึ้นมาในใจเราจะแกะเราจะแกะ้ากอารมณ์กลัวแบบนี้ให้ผ่านไปได้อย่างไรคะก็ทําความเข้าใจว่าคนที่นั่งดูลมหายใจเข้าออกนี้ไม่มีใครตาย พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตายพระพุทธเจ้าก็ดูลมหายใจก็้าออกครูบาอาจารย์อย่างต่างท่านก็ไม่ได้ตายลมหายใจถึงแม้จะรู้สึกว่าไม่มีก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีเพียงแต่ว่ามันอาจจะละเอียดหรือมันอาจจะห่างจนทาให้เรารู้สึกว่าไม่มีลมหายใจเท่านั้นเองเพราะเวลาถ้าเรานั่งเฉยๆจิตสงบการที่จะต้องใช้พลังงานในร่างกายมันก็น้อยการที่จะต้องใช้ลมมากก็น้อยลงไป ดัะนั้นถ้าเรามีสติรับรู้อยู่นับรองได้ว่าเราไม่ตายนะให้คิดอย่างนั้นกันแล้วกันคำถามจากคุณ5ฟ i n u t e academy ข้อแรกการที่จะเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้อย่างแท้จริงต้องทำอย่างไรครับก็อย่างที่ได้เทศในวันนี้ก็ต้องศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาวิถีชีวิตของพระพุทธเจ้าและพระ อ, อ, อ, อริยสงสาวก ท, ทั้งหลาย ว่าท่านดำเนินชีวิตของท่านอย่างไรท่านปฏิบัติอย่างไรเมื่อเรารู้แล้วเราก็เอาวิถีชีวิตของท่านเอาคำสอนของท่านมาเป็นแบบเป็นฉบับเป็นครูเป็นอาจารย์แล้วก็ปฏิบัติตามที่ท่านสั่งท่านสอนเดี๋ยวเราก็จะได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แท้ จ, จริงปรากฏขึ้นมาภายในใจของเราข้อสองทอย่างไรให้อินทรีย์แก่หรือปรับสมดุลให้ศรัทธาวิริยะ สติสมาธิปัญญาเท่ากันครับหมั่นจเจริญสติให้มากสตินี้เป็นกุญแจเหมือนกับกุญแจรถยนต์การที่เราจะขับเคลื่อนรถยนต์ไปไหนมาไหนได้เราต้องมีกุญแจรถถ้ากุญแจหายก็ไม่สามารถที่จะขับรถยนต์ไปไหนได้การที่เราจะทำให้ธรรต่างๆปรากฏขึ้นมาได้นี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับสติเ ป, เป็นผู้นาเพราะฉะนั้นพยายามหมั่นจเจริญสติให้มาก เราสามารถจเจริญสติได้ตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนอยู่ในวัดหรืออยู่นอกวัดเพียงแต่ว่าการอยู่ในวัดมันจะเอื้อต่อการจเจริญสติมากกว่าการอยู่นอกวัดเพราะเวลาอยู่นอกวัดมันจะมีเรื่องที่จะมาทําลายสติของเราอยู่เรื่อยๆจ ะ, จะทําให้เราเผลอได้ง่ายกว่าเพราะมีรูปเสียงกิริย์รสต่างๆมาคอยดึงมาคอยล่ อ, ลอไป แต่ถ้าเราไปอยู่ในวัดไปอยู่ในที่สงบนี้ก็จะไม่มีสิ่งต่างๆที่จะมาดึงสติของเราให้หายไปฉะนั้นแต่เราต้องพยายามจเจริญสติให้ได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามจะใช้กรรมบริกรรมพุโทโธไปตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยก็ได้หรือจะใช้การดูเฝ้าการเคลื่อนไหวการกระทำต่างๆของร่างกายก็ได้ข้อสามค่ะทำอย่างไรให้เห็นโทษของก a r m และเห็นอนิสง์ของการออกบวชครับก็เห็นว่าถ้าเรายังติดอยู่ในกามเราก็จะต้องทุกข์กับมันเพราะว่าเวลาที่เราอยากจะเสกกามแล้วเราไม่ได้เสกมันก็จะทุกข์จะทรมานใจแล้วก็เห็นผลที่ของผู้ที่ได้บวชได้ปฏิบัติได้บรรลุ ธ, ธรรมว่าท่านได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงผู้ฝากถามต่อ เอาเลยเอาเลยคย่คำถามจากผู้ฝากถามค่ะข้อแรกคําว่าจริตตรงกันนี้มีความหมายว่าอย่างไรครับคําว่าจริตตรงกันก็คือถูกใจกันนั่นเองเห็นอะไรพอถูกใจกันก็จริตก็ตรงกันถ้าเห็นอะไรแล้วขัดใจกันก็แสดงว่าจริตไม่ตรงกันคนยังชอบกินก๋วยเตี๋ยวอีกคนชอบกินข้าวผัดนี่ ก็เดี๋ยวก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะว่าจริตไม่ตรงกันข้อสองค่ะมีคนกล่าวว่าครูบาอาจารย์ท่านสอนตามปฏิปทาตามจริตนิสัยที่ท่านปฏิบัติผ่านมาเพราะแต่ละองค์มีอ o โ c ชที่ต่างกันแล้วเรานักปฏิบัติจะมีวิธีการเปรียบเทียบเคียงอย่างไรว่าคำสอนหรืออุบายของท่าน ตรงกับจริตของเราแล้วสามารถแกป้ปัญหาของเราได้ก็เหมือนกับเวลาเราไปร้านอาหารนะร้านอาหารบางร้านเรารับประทานแล้วก็ไม่ถูกจริตกับเราเราก็ไม่กลับไปกินอีกร้านอาหารไหนที่เรากินแล้วมันถูกจริตกับเราเราก็กลับไปกินไปอยู่กับครูบาอาจารย์องไหนถ้าไม่ถูกกับเราเราก็ไม่ไปเราก็ไปหาองค์อื่นข้อสามค่ะมีบางคนบอกว่า ครูบาอาจารย์ที่ท่านผ่านแล้วเปรียบเหมือนคนที่ยืนมองคนที่วหวยน้ำหรือลูกศิษย์ที่ว่ว้น้ำอยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่านจะมองเห็นทุกคนว่าวหว้หรือไม่วหาและว่าอย่างไรจึงจะถึงฝั่งไม่ว่าท่านจะถึงไหนด้วยแล้ว Approach ไหนแต่ท่านคือคนที่ถึงแล้วและที่สำคัญท่านมองเห็นคนที่กาลังไหว้น้าดังนั้นวิธีการบอกการสอนของท่าน ก็เป็นวิธีที่จะทำให้ถึงฝั่งถ้าคนว่ายน้ำทำตามโดยไม่ต้องไปสนใจว่าท่านถึงด้วยวิธีไหนคิดแบบนี้ถูกไหมคะคือถ้าเราเข้าหาครูบาอาจารย์แล้วก็มีความเชื่อว่าท่านเป็นคนที่มีความสามารถที่จะสอนให้เราได้สิ่งที่เราต้องการเราก็ต้องเชื่อท่านท่านสอนให้เราทำไงเราก็ทำถ้าเราไม่เชื่อท่านเราก็อยากไป เหมือนกับที่พระโพธิสัตว์นี่เวลาพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นใบาลานเปล่าก็เลยเกิดความฉุกคิดขึ้นมาว่าต้องไปหาอาจารย์สอนให้วิธีปฏิบัติแต่การไปหาอาจารย์นี้อาจารย์แต่ละรูปท่านก็ดูว่าสอนได้ไม่สอนได้ตอนต้นก็ไปหาพระอาจารย์หัวหน้าในสำนักในสำนักนี้ก็เป็นพระอาหารหันต์ทั้งหมด ไปหาองค์ที่เป็นหัวหน้าท่านก็ปฏิเสธว่าท่านไม่มีความสามารถที่จะสอนได้ท่านก็ไปขอองค์รองต่อไปองค์รองก็ตอบเหมือนกันไปจนถึงองค์สุดท้ายเป็นสัมมณีท่านก็ยังมีความเชื่อว่าเป็นอาจารย์ของท่านได้ท่านก็กราบขออนุญาตให้เป็นอาจารย์ตอนต้นสัมมณนก็จะไม่อยากจะรับพอหัวหน้าบอกว่าไม่สงสารไม่สงเคราะห์หน่อยหรือสมมณก็เลยรับไปเป็นลูกศิษย์ แต่ก่อนที่จะสั่งจะสอนสมณะเองก็ต้องทดสอบดูว่าจะมีความเชื่อคำสอนของส ม, มเองหรือไม่เพราะถ้าสอนแล้วไม่เชื่อก็เสียเวลาเปล่าๆล้วส ม, ส ม, มเอก็เลยทดสอบดูศรัทธาว่าเชื่อจริงหรือไม่ก็สั่งให้ทําอะไรต่างๆที่ที่ยากที่ที่ทุนธรรมดาจะไม่อยากทําสอนให้ล้างกระโถนสอนให้กวด จช็ถูสาลาสอนให้ซักจีวะสั่งให้ซักจีวอนทำอะไรต่างๆให้กับสา ม, มเณรแล้วก็บางทีก็แกล้งสอนให้ไปเอาของให้ดูยลงไปในน้ําพอลงไปในน้ําเปียกครึ่งตัวก็บอกไม่เอาแล้ะเปลี่ยนใจก็อยากจะทดสอบดูว่ามีความพอใจมีความไม่พอใจต่อการสั่งการสอนของสา ม, มเณรหรือไม่ พอสมณะเห็นว่าท่านยอมทุกอย่างสั่งอะไรก็ทำทุกอย่างไม่มีปฏิกิริยาอาการที่ต่อต้านสมนนก็เลยสอนทำให้พอสอนทำก็ไม่ไม่นานก็ได้บรรลุเป็นพาาาระอรหันต์ขึ้นมาดังนั้นเวลาที่เราไปศึกษากับครูบาอาจารย์นี้ส่วนหนึ่งที่เราจะต้องเจอก็คือข้อทดสอบว่าเรายังมีทิฏฐิมีความเห็นของเราอยู่หรือเปล่า ถ้าเรายังมีความเห็นของเราอยู่มันก็จะมาขวางความเห็นของท่านท่านสอนเราก็จะมีความเห็นที่ไปโต้แย้งเมื่อมีการโต้แย้งกันมันก็คําสอนของท่านก็ไม่สามารถเข้าไปสู่ใจของเราได้การไปอยู่กับท่านก็เลยไม่ได้รับประโยชน์เพราะเรายังมีความเห็นของเราอยู่เรายังอยากจะปฏิบัติตามความเห็นของเราอยู่อย่างที่เมื่อกี้นี้ได้ที่บายให้ชายคนนี้ฟัง ว่าเขาได้ลองปฏิบัติวิธีนี้มาแล้วแต่ไม่ได้ผลอะไรเราก็บอกว่าก็อาจจะต้องทิ้งวิธีนี้ไปแล้วก็เชื่อวิธีของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้ใช้อานาปานสติลองใช้ดูสิดูว่าจะใช้ได้หรือไม่ได้อันนี้ก็อยู่ที่นักศึกษานักเรียนเวลาเข้าหาครูบาอาจารย์ว่าจะยอมรับคำสอนของท่านทั้งหมดหรือไม่ ถ้ายังมีความนังเลสงสัยอยู่มันก็จะเป็นนิวรณ์ขึ้นมาได้ถ้ายังไม่เชื่อยังมีการต่อต้านคำสอนของท่านอยู่มันก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากคำสอนของท่านหมดแล้วนะนะมีใครอยากจะถามอะไรไั้ม You want to ask some more question No Yes Go ahead I'm sorry for asking too many questions. Um, uh, I, I understand um, the Buddha taught 40 meditation methods. You mentioned earlier that I should learn the Buddhist method. Are you specifically referring to the breathing? Mm -hmm. um, the, the reason why I've I've been um, uh, not so keen on the breathing method is because I have tried before mm -hmm. and. Um, Uh, the reason why I, I gravitated towards other methods is because um, I haven't been able to. Uh, this is my own defilement, probably very likely, is that um, I um, I can't detach myself from the breathing fully, so that every once in a while I still try to um, involuntarily control my breathing as opposed to observe the breathing, and that's why methods like the sound of silence or others have been. Better for me, at least so I thought, because I can't control those other methods. Like, um, as opposed to breathing, is something that you could control. Well, like I say, you can use any method you like. The end, the the the whole purpose is to get the result. You know? So if you like the method they use, but if you don't get any any result, then it's useless. c o o d Could you recommend a method that um, I can't control that the Buddha taught? Can you use the mantra instead? Yes, I have a mantra that okay. I use. t s e Buto Buto something. Yes. Okay, try that. I, that has been successful as well. Okay, you can use that then. Okay. okay. Thank you. There are f o t methods of meditation subject you can try. If you don't like breathing, try something else. Um, yeah, go ahead. Um, so when I was at Paok Monastery, um, they they t h e they tried to teach all 40 methods. And um, after I left Paok, somebody told me that um, I shouldn't try all 40 methods because they said I'll go insane. Mm -hmm. And so um, uh, you, you only need one to make your mind calm. Okay. Mm -hmm. um, so just pick the one that is useful, productive to you. Use that one. Um, not knowing all 40, but I knowing that mantra can work for me, should I just focus on mantra and not try the other yes, 40? Yes, yes, just keep on using your mantra. Okay. In the Longpu Man tradition, we use Bhuto t as the mantra. Okay. Thank you. w h a n s y o u